นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ที่นำเสนอทาง p ิเออร์ a ามะคเป็นลักษณะของพอดคาสต์ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีก็เรียกว่าความรู้ในการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ซะบ้างมาที่ p ิเออร์ a ามะก็จะสามารถดาวน์โหลดพอดคาสต์นี้ไปฟังได้พอดคาสต์นี้ก็ได้เริ่มทำมาตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่13ออตอนที่13นี้ จะนําคําถามต่างๆที่ติดค้างกันไว้มาตอบกันบ้างหมอรัตพงศ์วันนี้ก็รับป่วยนเนื่องจากอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยอาตมาก็เลยมาทํารายการวันนี้คนเดียวก่อนท่านฟังไม่ต้องสงสัยว่าหมอรัตพงศ์ไปไหนก็ยังอยู่นี่แหละนะมันไม่เที่ยงจริงๆเพราะว่าอากาศนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากบางท่านที่อยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในอุดรธา น, นีนะอาตมาจะเล่าให้ฟังว่า อุณภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงจาก35องศามาเหลือ15องศาในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงนะจอกช่วงบ่า ย, ายเย็นเนี่ยมาช่วงในวันรุ่งขึ้นต่อไปเนี่ยโอ้โหมันหมุนรุนแรงมากตัวเราเองก็ยังป่วยเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมการไว้ตอนคืนไม่ได้หม่มพราะหม่มหนามากก็เลยพลาดเป็นหวัดขึ้นมาในลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนี่ยมื่อเห็นสภาพนี้แล้วเนี่ย ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงต้องเห็นตามซึ่งความไม่เที่ยงว่าโอ้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะในแค่วันเดียวเนี่ยมี3มฤดูทั้งฝนตกทั้งฤดูหนาวทั้งฤดูร้อนมีอยู่ในวันเดียวหมดเลย3าฤดูวันนี้ก็จะได้นำคำถามที่ได้ติดค้างกันเอาไว้บ้างมาตอบมีคำถามที่มาจากมาจากคุณเจ้าชาย คุณเจ้าชายถามถึงเรื่องการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทํามา 2-3 ครั้งต่อวันคือทําตลอดทั้งวั น, น, นในช่วงเวลาที่เผลออาจจะมีแค่วันละ2 3ครั้งเท่านั้นเองที่เผอไม่สามารถกำหนดได้เราก็ทํามาประมาณ 3-4 เดือนผลที่ได้รับปรากฏว่าคุณเจ้าชายนี่กลับโมโหง่ายและหงุดหงิดง่ายไม่รู้แต่ว่ารู้ตัวนะว่าในการโมโหและหงุดหงิด ทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เคยโมโหและหงุดหงิดง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเลิกไปเลิกทำไปก็เลยต้องการทราบว่ า, เ, าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วควรจะทำอย่างไรแทนที่จะทำให้จิตสงบลงเย็นลงทงั้งๆที่การทำอน า, าปานสติเนี่ยน่าจะติตสงบเย็นลงได้ต้องตอบให้ฟังอย่างนี้ว่าเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยมันต้องทำให้ถูก พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับพ่อครัวสองคนพ่อครัวคนหนึ่งเนี่ยเป็นคือทั้งสองคนเนี่ยนะทำอาหารหมดนะทำอาหารของคาวของหวานซุปแกงอะไรต่างๆใช้ของอที่เป็นเนื้อไม่เป็นเนื้อเป็นผักอะไรต่างๆใช้หมดนะสองคนนี้ปรากฏว่าทําอาหารเนี่ยถวายพระราชาหรือว่ามหาอามาตย์ของพระราชามีพ่อครัวคนหนึ่งเป็นพ่อครัวเหมือนกัน ก็คนที่2อนี่แหละหนึ่งใน2คนนี่แหละเขาไม่ฉลาดในการสังเกตรสชาติอาหารไม่สามารถสังเกตรสชาติอาหารว่าเออวันนี้อาหารของเราเขาหยิบมากหยิบน้อยรสชาติเค็มรสชาติหวานใช้วัตถุ ด, ดิบนี้เป็นอย่างนี้แลนะใช้วัตถุ ด, ดิบหนึง่งเป็นอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงรสชาติอาหารแล้วเจ้านายของเราหยิบไปมากหรือหยิบไปน้อยไม่ได้สังเกตพอไม่ได้สังเกตแล้วเนี่ย รสชาอาหารของเราก็ทําไม่ถูกใจคนกินแต่พ่อครัวอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตรสอาหารของตอนเองนะ ว, วันนี้เราใช้วัตถุดิบนี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยหวานเค็มอะไรต่างๆรู้จักสังเกตหมดนะ ว, วันนี้เจ้านายเราหยิบอันนี้มากเราหยิบอันนี้น้อยรู้จักสังเกตเขาก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนรสอาหารของเขาเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้กินได้เหมือนกัน เวลาเราทําจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนต้องรู้ว่าสามารถกําหนดนิมิตแห่งจิตของตนได้ว่าเราทําอย่างนี้แล้วจิตของเราสงบทําอย่างนี้จิตไม่สงบอันนี้พระพุทธเจ้าได้พูดเปรียบเทียบไว้ในเรื่องของผู้ฉลาดในการเจริญสติปัฏฐานภิกษุ2ององค์นั่งสมาธิอยู่เจริญสติปัฏฐานอยู่ข้างๆกันองค์หนึ่งจิตสงบอีกองค์หนึ่งจิตฟุง้งซ่าน ทำไมทั้งๆที่จเจริญสติปัตานเหมือนกันสังเกตลมหายใจเหมือนๆกันนะลมหายใจก็ลมหายใจเดียวกันอากาศก็อากาศเดียวกันแต่ว่าพิสูกรูปที่ไม่สามารถทําจิตให้ตั้งมั่นไม่สามารถละอาสว า, าได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ฉลาดในการสังเกตนิมิ t แห่งจิตของตนแต่คนที่สามารถทําได้เนี่ยก็เขาฉลาดในการสังเกตนิม i t แห่งจิตของตนเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนิ m i t แห่งจิตเนี่ยก็คือเราต้องทําให้ถูกไงเวลาเราสังเกตลมหายใจเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบังคับลมหายใจว่าให้สั้นให้ยาวให้เข้าให้ออกอย่างนี้ บ, บังคับพอมีการบังคับเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละคือความอยากเราจะต้องอยากให้จิตของเราอย่างสงบอยากให้สิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นลมหายใจชัดเจนนี่มันคือการบังคับทั้งนั้นเลยการบังคับเนี่ยเป็นนิวรณเมื่อไหร่เรามีความอยากนะเราไปทางตรงกันข้ามกันกันกบสมาธิทันที สมาธิเนี่ยเป็นของปล่อยเป็นของวางเป็นของเบาเป็นของปล่อยไม่ใช่ของเอาเราจะมาเอาสมาธิให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จะเอาจะเอาไม่ได้นั่นคือการบังคับเราต้องปล่อยการปล่อยทำยังไงปล่อยก็คือทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะสั้นจะยาวในบางคนเนี่ยต้องบังคับว่าลมหายใจของฉันนะต้องสั้นเข้าออกนี่สามวินาทีห่างกันหรือว่า ต้องสั้นเข้านี้ออกเท่านี้มันไม่จาเป็นนะความห่างลมหายใจเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติร่างกายเราต้องการลมหายใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้เขาเป็นไปตามนั้นมันเป็นยังไงเอาก็อย่างเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าเเนี่ยถ้าใครเป็นคนสังเกตนะจะพบว่าจิตลมหายใจของเราเนี่ยมันจะยาวเข้ายาวออกยาวมากกว่าช่วงเวลาอื่นของวันยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเวลาหลังจากรับประทานอาหารเนี่ย ลมหายใจนี่ถี่มากถี่กว่าปกติเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการลมหายใจเนี่ยปริมาณพลังงานเนี่ยไปในช่วยในการย่อยอาหารมีการเผาผลาญเขาต้องการลมหายใจมากเขาก็ถี่ขึ้นเวลาออกกําลังกายเป็นยังไงโอ้โหหึดหัดหึดหัดยิ่งกว่าอะไรหอบแห ก, กเลยก็มีสติได้เพราะฉะนั้นเวลาในอนาปันสติสูตรสังเกตไหมทําไมพรพุทธเจ้าถึงต้องบอกบทที่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายา ว, ยาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นอันนี้เป็นการบอกว่าแบบไหนก็ทำได้ถ้าข้ามวักนี้ไปนะอาตมาจะไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะเราต้องแต่งลมหายใจให้สั้นให้ยาวหรือเปล่าไม่จาเป็นสั้นก็ได้ยาวก็ได้ทีก็ได้ห่างก็ได้รูเดียวก็ได้2รูก็ได้ทางปากได้ไหมได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะ หายใจประเภทไหนเนี่ยอย่าบังคับเขาการบังคับเนี่ยนอกจากบังคับลมหายใจคือถ้าเราตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้นะเหมือนบางครั้งเนี่ยบางคนก็เคยมาพูดให้ฟังเวลาลที่เราจะทำอะไรตั้งใจมากเกินไปนะมันมีอุปสรรคตลอดทำไม่ได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นแต่เมื่อไรเนี่ยเราทำสบายสบายาทำที่เผลอลว่างั้นเถอะเผลอแล้วมาทำทำเสร็จแล้วเนี่ยเออมันกลับไปได้ทำได้ ลักษณะนี้ก็เหมือนกันการทำเาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยโดยใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของสติเนี่ยคุณต้องเรียกว่าทำให้ถูกทำให้เป็นกำหนดนิมิตแห่งจิตของตนไดน้เรื่องนี้ยังไม่ใช่แค่ลมหายใจต้องบังคับนะยังพูดถึงความคิดด้วยบางคนเนี่ยบอกนั่งสมาธิต้องสงบมันไม่แน่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจิตสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสติ สติกับความสงบ เ, เป็นคนละเรื่องกันเราได้เคยพูดไปแล้วนะบางทีจิตเราไม่สงบแต่เรามีสติแล้วเราสามารถรับได้อย่างกรณีของคุณเจ้าชา ย, ยมีสติไหมเขาบอกว่าเขามีโอเคมีก็มีแต่สงบไหมเขาบอกเขาไม่สงบโอเคไม่สงบแสดงว่าคุณยังมีนิวรณอยูนะ่ยังดีที่รู้เพราะรู้แล้วแกได้ถ้าไม่รู้นี่ยากบางค น, นโกรธไม่ยอมรับว่าตัวเองโกรธด่ากราดซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างก็เอาด่าด้วย แต่ว่าไม่รู้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติหลายคนเนี่ยเออเรารู้แล้วเราก็ยางดีนะยังดีที่เรารู้รู้แล้วเราจะได้ละได้ละได้หรือไม่ได้ น, นี่ไงมันจะต้องเป็นจุดที่ต้องฉลาดในการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะเป็นผู้สามารถเป็นผู้ฉลาดในการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนเพราะฉะนั้นหนิมิตแห่งจิตเนี่ย นิมิตตรงนี้คือเครื่องหมายเครื่องหมายในกรณีนี้ก็คือไม่ใช่จิตนะจิตก็จิตนิมิก็นิมิตเครื่องหมายในกรณีนี้ก็คือตำแหน่งที่สังเกตเครื่องหมายทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปที่เราเห็นความรู้สึกที่เรารู้สึกการรับรู้ที่เรารับรู้ตรงนี้เป็นเรื่องของนิมิตทั้งหมดในกรณีที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างมือสกครูนี้คือเรื่องของแกการบังคับลมหายใจ ทีนี้พอสังเกตนิมิตแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเปรียบเทียบพระราชาเปรียบเทียบตรงนี้เหมือ น, อนอรสชาติของอาหารเราต้องรู้ว่าพระราชาเนี่ยตักมากหรือตักน้อยรู้ว่าพระราชาเนี่ยชอบรสชาติไหนเราต้องทราบพอทราบแล้วนี่สิ่งที่เราจะได้คือรางวัลเหมือนกันสิ่งที่เราต้องการคือจิตที่สงบสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สติสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไม่ใช่ลมหายใจและพวกนั้นเป็นนิมิตเท่านั้นเอง สิ่งที่เราต้องการคือจิตที่สงบนิ่งเย็นพร้อมแก่การที่จะตรัสรู้ธรรมพร้อมแก่การที่จะเห็นธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างพ่อครัวเขาทําอะไรเขาทําที่รถอาหารทําที่การปรุงอาหารแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเงินค่าตอบแทนค่าจ้างรางวัลเพราะฉะนั้นเวลาเราทํากําหนดลมหายใจมีความคิดผ่านเข้ามาไม่ต้องบังคับให้เขาไม่คิดอย่าทิ้งอย่ายโยนทิ้งอ่ะทิ้งนี่ ก็เป็นคำพูดวัจนะได้ถ้าทิ้งเนี่ยมันเหมือนกับคว้างทิ้งเราอาจจะต้องบังคับเราแค่ปล่อยเข้าไปเฉยมีความคิดผ่านเข้ามาในจิตใช่ไหมนั่งสมาธิอยู่เนี่โอ้จิตฟุงฟ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านทําไงเราก็มารู้ลมหายใจต่อไปนะอย่าตามเขาไปถ้าตามเนี่ยคือการเพลินละเพลินคิดต่อไปอ๋อันนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่า ง, งนีเนงงน้เราเคยทำที่นี่เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้อนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่เพลินไปละปรุงแต่งต่อเนื่อง หน้าที่ของเราคือไม่ต้องปรุงแต่งต่อเนื่องอย่างตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่นะในรายการพอดแคสต์เนี่ยเพียวธรรมะ com ฟังอยู่ก็รู้ลมหายใจไว้ด้วยหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกนั่นรู้อยู่อย่างนั้นดีแล้วพอรู้อยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมีความคิดใดใผ่านเข้ามาเวลาเราฟังเนี่ยเราฟังด้วยจิตนะเราไม่ได้ฟังด้วยหูเวลามีความคิดว่าเอออันนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ปล่อยซะ ปล่อยวางความคิดนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพอเรารู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนี่คือพ่อครัวทำอาหารนะยังไม่ได้เงินน ะ, ะทำอาหารรู้จักสังเกตว่าเอ้เราสังเกตลมหายใจแบบนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้เราสังเกตลมหายใจที่ตําแหน่งนี้ปลายจมูกกลางจมูกต้นจมูกจิตของเราไม่เหมือนกันถูกต้องต้องรู้จักสังเกตต้องมีความชํานาญเชี่ยวชาญในการฝึกหัด พ่อครัวเขาก็ไม่ได้ฝึกกันปี2ปีก็ฝึกกันเป็นหลายๆปีถึงจะมาเป็นพ่อครัวชั้นเยี่ยมได้นะเป็นเชฟเป็นขึ้นเปิดร้านอาหารอะไรต่างๆขับรถอะ่ะขับรถเขาก็ต้องฝึกกันเป็นเดือนเป็นปีนั่นแหล ะ, ะคุณขับได้ใบเรียกว่าไรใ บ, บขับขี่มาแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยขับต่างจังหวัดไม่เคยขับคนเดียวไม่เคยขับในที่รถติดไม่เคยขับในที่ขับรถเร็วๆ เ, เ, เนี่ยมันก็ยังไม่เข้าคล่คองเชี่ยวชาญ เมือนการเราทำลมหายใจเนี่ยเราเคยไปฝึกสมาธิมาละครั้งสองครั้งไปเข้าหลักสูตรหลีกเร้นที่ไหนก็นแล้วแต่มาครั้งสองครั้งเราก็ต้องฝึกตลอดแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนชั่วโมงบินนักบินเวลาเขาฝึกบิน เ, นเขานับชั่วโมงบินเช่นเดียวกันเรานับชั่วโมงบินอ่าวันนี้เอา5นาทีสิบนาทีก็เอาอย่าพึ่งท้อแท้ท้อถอยทําไม่ถูกอย่าพึ่งเลิกทําให้ทําต่อไปเพราะว่าในการทําต่อไปเนี่ยอย่างคุณเจ้าชายเนี่ย จะเห็นแง่มุมที่ทําให้ถูกทันทีดีมากจริงๆเพราะเรารู้ว่าไอ้ไม่ถูกมันเป็นยังไงแล้วเราก็ทําให้ถูกได้เวลาเราเห็นมุมอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นดีเป็นการดีเป็นประสบการณ์คนขับรถเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสชนนะด้วยความผิดพลาดของการขับรถเชนนเเ่นเหยียบคันเร่งเปนเหยียบเบรกเหยียบเบรกเปนเหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยโอ้โหเขาจะจําไม่ลืมเลยว่าฉันจะไม่มีทางผิดอีกต่อไปเหมือนการเวลาพ่อครัวที่เขาปรุงอาหารเนี่ยเขาปรุงรสเนี่ยคนที่ ฉลาดปรุงรสแล้วได้เคยรับรางวัลในการที่ปรุงอาหารเนี่ยนะเขาจะจําไม่ลืมเลยว่าอ๋อสิ่งนี้รสชาตินี้แนวะประสบการณ์ในการทําอาหารต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันนอกจากเรื่องของการบังคับลมาหายใจแล้วเรื่องการบังคับความคิดเนี่ยตัวดีจะบังคับไม่ให้คิดจะบังคับให้จิตสงบมานั่งสมาธิสองวันแล้วก็ยังไม่สงบเลยโอ้ทอําทยัางไงดีทํายังไงดีคิดถึงบ้านก็คิดถึงปัทโถเอย๋ย ปล่อยเข้าไปความคิดนี้ให้สังเกตลงไปใจอย่างเดียวอย่าไปปรุงแต่งต่อเนื่องพอมีความคิดขึ้นมาก็อย่าไปมีความเครียดแค้นว่าโอ๊ยอันนี้จิตฉันไม่สงบเนี่ยนิวรแล้วเป็นความพยาบาทความขึงเครียดเป็นความที่ไม่พอใจเวลาเราทําไม่ได้อย่าให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นเวลาเราทําได้อย่าให้มีความพอใจเกิดขึ้นอย่าให้มีความอยาก นะไอ้ความอยากเนี่ยพระรูปเจ้าเปรียบเหมือนของที่ยืมมาคุณยังไม่ได้แต่คุณอยากแล้วเหมือนคุณไปกู้หนี้คนเป็นหนี้เนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหมันไม่มีความสบายใจนะเหมือนคนกู้หนี้กู้หนี้มาแล้วก็ไม่สามารถใช้คืนได้เรามีความอยากเราไปยืมมาแล้วทั้งๆที่เรายังไม่มีของสิ่งนี้นึงไม่มีแต่เราอยากก่อนมันเหมือนไปยืมเขาทันทีจิตของเราเนี่ยเหมือนถูกกักถังนะถูกเครื่องหน่วงเหนี่ยวก็คือนิวรณ์ทำจิตให้ถอยกําลัง เมือนคนไปกู้หนี้นั่นแหละอย่าให้มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตลมหายใจเนี่ยให้ทหําอย่างสบายสบายอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับถ้ามีความคิดโผล่ขึ้นมาก็ให้ปล่อยเข้าไปอย่าปรุงแต่งต่อเนื่องไหลตามไปอย่าให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นเวลาจิตไม่สงบนะอย่าให้มีความอยากที่ต้องการให้จิตสงบเกิดขึ้นให้ทําเป็นอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับ อย่างนี้ถึงจะถูกถ้าใครมีแง่มุมหรือคำถามในเรื่องนี้นะก็ให้เขียนตอบเข้ามาได้ในในรายการเพียวธามา com ภาคออนไลน์แล้วก็ที่บ w w p e erm ยเว o t เพียวธม com มีแง่มุมไหนที่ต้องการจ ะ, ะแชร์สื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยกันเนี่ยบางท่านอาจจะมีประสบการณ์อย่างนี้อย่างคุณสันสนีก็เคยคุยกับอาตมานะว่า บังคับลมหายใจะอะไรต่างๆแล้วก็จิตฟุ้งซ่านยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นแต่พอหลังจากที่ได้ทำอย่างสบายรู้เทคนิคแง่มุมแล้วว่าอ๋อสังเกตตรงนี้ทําจิตอย่างนี้ไม่ให้บังคับไม่ให้ไหลาตามไปแค่ปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาสบายขึ้นนะเขาสามารถทำํำลมหายใจได้ดีขึ้นได้แล้วก็การจัดรายการของเขาก็เป็นไปอย่าง เ, าเรียบร้อยนิ่มนวลแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือมีผู้ถามเข้ามาว่า คำว่าจากคุณจรีนะถามในเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ถามว่าแค่สังเกตลมหายใจเนี่ยแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับแม้บิตตกวิจารก็ระงับคนที่ไม่เป็นอย่างนี้เนี่แล้วยังหายใจอยู่แสดงว่าหายใจทิ้งอันนี้อาจามาได้พูดไว้นะในตอนที่รู้สึกจะ8หรือ9นี่แหละเข า, เ, าเป็นตอนที่10นะเป็นตอนที่10บเขาถามว่าเขาเนี่ยเอาคำเนี้ยแหม่ท่องจําไว้เลยนะเราก็เอาไปพยายามบอกต่อคนอื่นเมื่อมีโอกาส จึงต้องการจะมาให้รับรองว่าคำนี้เป็นพุทธวจนะหรือเปล่าในคนํานี้ในบทพยัญชนะนี้เนี่ยมีส่วนที่เป็นพุทธวจนะและไม่ใช่พุทธวจนะด้วยคําไหนที่เป็นพุทธวจนะส่วนที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยก็คือคําว่าลมหายใจการคําว่าแค่สังเกตลมหายใจเนี่ยเป็นบทพยัญชนะของอาตมาถ้าจะพูดพุทธวจนะก็ต้องบอกว่าอาณาปานสะติผู้เจริญอาณาปานสติแม้กายก็ระงรับแม้จิต ก, ก็ระงับ แม้วิตกวิจาร์ก็ระงับอันนี้เป็นพุทธวจนะฟังอีกครั้งหนึ่งผู้ที่เจริญอาณาปานสติเนี่ยอาณาปานสติสมาธิอันเธอเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับแม้วิตกวิจาร์ก็ระงับอันนี้เป็นพุทธวจนะฟังอีกครั้งหนึ่งอาณาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับแม้วิตกวิจาร์ก็ระงับอันนี้เป็นพุทธวจนะขอให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังให้ดีๆ อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญแล้วทําให้มากแล้วแม้กายก็ระงรับแม้จิตก็ระงรับแม้วิตกวิจารณ์ก็ระงรับอันนี้เป็นพุทธวจนะเข้าใจเนาะส่วนสิ่งที่เป็นคําพูดของอาตมาฟังครั้งเดียวก็พอว่าคนที่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วยังหายใจอยู่แสดงว่าหายใจทิ้งอันนี้อาตมาเติมเข้าไปเป็นความเห็นของเราเองนะถ้าเวลาพูดเนี่ย ถ้าฟังน้ำเสียงเนี่ยก็จะพ อ, อะพอทราบได้นะแต่ถ้ามันพูดเร็วๆมากนี่บางทีมันก็รั่วไปเหมือนกันนะรั่วไปเลยเพรา ะ, ะนั้นก็ดีแล้วที่มาถามนะคุณจรีได้มาสอบถามข้ อ, ขอมูลเนี้ยได้ฟังให้ให้มันแน่ใจไปเลยจะได้การกล่าวของเราเนี่ยจะได้ไม่เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคอย่างสมัยก่อนเนี่ยพระผู้เจ้าของเราเนี่ยพูดอะไรเทศน์สอนไว้เยอะแยะใช่ไหมคนเข้าไปบอกต่อ บอกอีนน้สำนักโคดมพูดอย่างนี้สาํานักโคดมพูดอย่างนั้นเรื่องกรรมท่านมาอย่างนี้เรื่องภาษาท่านมาอย่างนี้เรื่องทิฏฐิท่านมาอย่างนี้นนคนอื่นฟังฟังมาเนี่ยก็เลยต้องการจะเขาเรียกว่าแม็กชัวให้แน่ใจว่าอถ้าเราจะพูดต่อไปเนี่ยจะพูดยังไงไม่เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพูดตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกสอนเขาก็เอาข้อความนั้นเนี่ยมาสอบถามพระพุทธเจ้าสอบถามพุทธเจ้า ว, ว่าอ บุคคลผู้อื่นเขากล่าวกันอยู่อย่างนี้ตาตาตาตาตาข้าพระองค์จะกล่าวอย่างไรจึงชื่อว่าไม่เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นชื่อว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่กล่าวตามพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เขาจะเอามาถามอย่างถ้ามีคนบอกว่ามีคนมาถามมามีคนได้ยินว่าพระภัยบูรณ์นี่พูดบอกว่าบริกรรมพุทโธนะดีกว่าทําให้จิตสงบเร็วถ้ามีคนพูดอย่างนี้เป็นการฟังข้อมูลมือสอง เรียกว่า second hand information พวกที่ฟังข้อมูลข้อมูลมือ2นี่คุณต้องระวังเพราะว่าข้อมูลมือ2อเนี่ยอาจจะผู้ที่เอาไปบอกต่อเนี่ยอาจจะกำหนดบทเพลงชนะถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีที่สุดถ้าผู้พูดนี่ยังอยู่ผู้พูดหมายถึงผู้พูดมือหนึ่งเนี่ยนะคือเจ้าของคำพูดเนี่ยยังอยู่ให้เอาไปถามเขาเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดอันนี้ก็เป็นหลักมหาประเทศสยา ม, มกัน พระพุทธเจ้าก็ยังสอนเอาไว้ว่าถ้ามีคนมาบอกว่าไอ้นี่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเลยนะโดยตรงถ้าอยู่เอาไปถามเลยพุทธเจ้าผู้อย่างนี้จริงไหมอย่างที่คนพวกพราหมณ์พวกเราะห์บารดีงต่างเขาทำกันถ้าไม่อยู่ทำไงเราไปเทียบเคียงกับที่ท่านเคยสอนเพราะฉะนั้นเวลามีคนพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้คิดก่อนนะดวดยเฉพาะยิ่งพวกฟังข้อมูลมือสอย่างในปัจจุบันเนี่ยพุทธเจ้าเราไม่อยู่แล้วเรามีแต่ฟังข้อมูลมือ2มือ3ามทั้งนั้นเลยนะโอ้ยมือเท่าไหร่ก็ไม่รู้มือเป็นร้อเป็นพันนั่นแหละ อยู่ในพระไตรปิฎกเขาก็สั่งข ย, ยนาไปเขาตั้งกี่ครั้งแล้วนะมือ6กนะมือห้าฉบับฉบับฉบับสยามรัฐเนี่ยเข้ามูลมือห้ฟังมาแล้วเนี่ยเราต้องไปเทียบเคียงพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจะถามใครตายแล้วทีนี้เอาไม่เป็นไรมียังมีธรรมมีวินัยที่เป็นของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าอยู่งั้นก็ถามอันนี้แหละนะมาสอบถามเทียบเคียงในพระสุตในพระวินยัยใครไม่รู้ไม่เข้าใจตรงไหนมาสอบถามได้ที่เผยรธรร ม, มะ นะถ้ามีเวลาจะตรวจสอบให้นะมีลูกมือมีแรต่างๆก็จะช่วยนําเสนอธรรมะที่ถูกต้องตรงจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเราจะได้ไม่เป็นการที่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคดีมากๆเลยคําถามต่อไปเป็นคําถามของผู้ที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัติผู้ศึกษาปฏิบัติได้สอบถามมาถึงโพสต์โพสต์สหนึ่งที่อยู่ในรายการพ i y o t h a m a com ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการละอากุศลภาษาอังกฤษพระพุทธเจ้าใช้คำว่า removal of evil unwholesome thought อ่ก็พระพุทธเจ้าได้เคยสอนวิธีนะในการละอากุศลไว้อยู่ทั้งหมด5วิธี5วิธีนี้ก็เป็นรนยะหนึ่งเท่านั้นเองนะก็ยังมีอีกหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อ่ไล่ไปเลยนะอันนี้จะอธิบายให้ฟังก็จะเป็นการดีมันตามเวลาที่เหลืออยู่ คนที่จะเมื่อรู้ว่าตัวเองมีจิตอกุศลแล้วอย่างในกรณีของคุณเจ้าชายเนี่ยฉันมีจิตอกุศลล ะ, ะโกรธขึงเครียดปุ๊ไม่รู้เรื่องอยากด่าคนไปหมดพอมีความรู้สึกนี้ความทิฐินี้เกิดขึ้นนี่เป็นอกุศลต้องรีบละนะคนที่มีสติเนี่ยจะละได้แต่ไม่มีสตินี่ละไม่ได้นะเอาละคนมีสติละได้กับคนมีสติละไม่ได้ทำยังไงก็ยังไม่ผ่านขั้นตอนหาวิธีนี้คนที่มีสติแล้วละไม่ได้ นะให้คุณลองทํา1ใน5วิธีนี้ตามลาดับขั้นตอนอย่างนี้คือ1ถ้าเราทําอย่างนี้อยู่แล้วเกิดมีความคิดอกุศลขึ้นให้เปลี่ยนวิธีทํานะในกรณีของคุณเจ้าชายคุณสังเกตลองไปใจอย่างนี้จิตคุณแบบเพียนไปคุณทำยังไงให้เปลี่ยนวิธีสังเกตพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำนิมิตนะพึงละนิมิตนั้นเสียกระทาในใจซึ่งนิมิตอื่นอันประกอบด้วยกุศล ให้รู้ไว้เลยตัวเองยังทําไม่ถูกนิมิตตรงนี้ก็คือการสังเกตลมหายใจของเรายังไม่ถูกพอเราเป็นอย่างนี้แล้วว่าเปลี่ยนซะเท่านั้นเองเหมือนอะไรเหมือนช่างทําแผ่นไม้กระดาษหรือลูกมือของเขาผู้ฉลาดต้องฉลาดด้นะไม่ฉลาดนี่ไม่สามารถทําได้ฉลาดยังไงตอกโยกถอนลิมอันใหญ่ออกเสียได้ด้วยลิมอันเล็กนั่นเหมือนกันเธอเนี่ยต้องอาศัยนิมิตแห่งกุศลเพื่อละนิมิตแห่งอกุศล ทำจิตให้เป็นสมาธิได้นี่ต้องฉลาดนะต้องรู้จักสังเกตทําอย่างนี้ได้แล้วแล้วยังไงต่อคนทาได้ก็สามารถละอกุศลได้ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเวลาเราคิดเรื่องเสือเรื่องหมอนคิดถึงบ้านคิดถึงที่บ้านคิดถึงหน้าแม่เอ้าคิดถึงแม่แล้วทําให้มีความรู้สึกอยากกลับบ้านก็เลิกคิดเรื่องแม่ซะคิดเรื่องตัวเองคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องพระพุทธเจ้าคิดเรื่องครูบาอาจารย์ ก็จะทําให้มีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างนี้เหมือนกันผู้ที่สามารถเปลี่ยนนิมิตของตนเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้ฉลาดในการคิดได้ความคิดนี้ก็คือกรณีของวิโตวิจารณ์ที่เป็นอกุสนนะถ้าเผื่อว่าทํานิมิตและเปลี่ยนซึ่งนิมิตละคิดแบบอื่นและสังเกตลงไว้ใจเปลี่ยนแบบละก็ยังทำก็ยังทำไม่ถูกอยู่ก็ยังไม่สามารถทําได้ยังมีอกุศลเกิดอยู่บ้าง ทำยังไงวิธีที่สองให้เข้าไปใครกรวนพุทธเจ้าบอกว่ายังถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้เห็นโทษของอกุศลนั้นให้เห็นโทษนะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าไครกรวนซึ่งโทษแห่งอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่ว่าวิตกเหล่านี้เป็นอกุศลวิตกเหล่านี้ประกอบด้วยโทษวิตกเหล่านี้มีทุกมีวิบากมากให้คิดเลยว่าถ้าเราด่าเขานะ ถ้าเราพูดไม่ดีกับลูกเรานะถ้าเราพูดไม่ดีกับสามีคนรอบข้างเรานะแม้เขาจะเดือดเนื้อร้อนใจเขาจะอยู่ไม่เป็นสุขอยากกันนั้นเลยเราเลิกเลิกการพูดไม่ดีของเราซะนะ่อันนี้ก็ได้เดีนสมมติอยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าเราเห็นลูกทำไม่ทไม่ดีทาไม่ถูก เ, เ, เราก็เปลี่ยนเรื่องคิดซะเราก็ยังไปคิดว่าเราก็เปลี่ยนเรื่องที่จะไปคิดนะเราก็ไปมองทางอื่นคิดเรื่องสมัยเด็กที่เขายังดีอยู่เราก็ไม่ด่าเขา แต่ถ้าทําจิตอย่างนั้นไม่ได้ให้คิดว่าโอ้ยถ้าเราด่าเขาเนี่ยลูกก็จะเป็นทุกข์สามีอ่าภรรยาคนรอบข้างแม่เราที่เราจะพูดไม่ดีกับเขาเนี่เขาก็จะอยู่เป็นทุกข์อยากกันนั้นเลยเราไม่ด่า ก, กันแล้วกันไม่คิดเรื่องไม่ดีกันแล้วกันอันนี้พูดเรื่องความคิดด้วยนะถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยตัวเราก็เบียดเบียนตัวเราเองเพราะว่าถ้าเราสมมติเราตายไปตอนนั้นนี่ยโอ้โหไปตไ ก, กลเลยไปที่ไม่ดีเลยแต่ถ้า แล้วแถมแถมเวลาที่เราคิดไม่ดีเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจกับเรานะเคยเห็นไหมคนที่หน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยากที่จะเข้าไปหาเขายากที่จะพูดคุยกับเขาหัวหน้าบางคนครูบางคนเนี่ยหรือพ่อแม่บางคนเนี่ยเครียดขึงเครียดอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรก็ด่ากลับต่อกลับลูกก็จะกลัว คนรอบข้างก็จะกลัวลูกน้องก็จะกลัวไม่กล้าพูดกล้าคุยเวลาจะนําอะไรไปเสนอมีอะไรที่ดีๆมันก็พูดยาเพราะว่ากลัวให้เห็นโทษตรงนี้ซะแล้วเลิกเลิกอย่าทำอกุศลไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าตรงนี้เปรียบเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ชอบการประดับประดาตกแต่งเมื่อถูกเอาซากงูซากสุนะัขหรือซากคนมาแขวนที่คอก็รู้สึกอึดอัด ระอารังเกียจขยะขยงเหมือนกันเธอก็รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจขยะขยงต่อโทษของอกุศลเหล่านั้นพอเราคิดถึงเรื่องโทษนะคนอื่งจะอยู่ไม่เป็นสุขเรานะถ้าตายไปมีจิตแบบนี้สวยเลยตกไกลเลยเป็นสัตว์นรกกำเนิดเดรัจานเปรตวิสัยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าทําทำให้เป็นมีความคิดรู้สึกระอารังเกียจต่อสิ่งเหล่านั้นรีบเอาออกโดยไวนี่วิธี1วิธีที่2 ถ้ายังไม่ได้ทํำยังไงถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้เลิกทําสิ่งที่เป็นอกุศล น, นั้นซะแล้วไปคิดเรื่องกุศลแท น, น, นให้เลิกสิ่งที่ทําเป็นอกุศล น, นั้นซะแล้วไปคิดเรื่องกุศล น, นั้นแทนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเธอนั้นก็อย่าพึงระลึกถึงอย่าพึงกระทําไว้ในใจซึ่งอกุศลเหล่านั้ น, นไม่พึงระลึกถึงไม่พึงกระทําในใจเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเปรียบสเสมือนบุตรมีตา แต่ไม่ต้องการจะเห็นรูปอันมาสู่กลางจากสุกก็ทำยังไงก็หลับตาเสียหรือเหลียวมองไปทางอื่นชั้นใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคือไม่ทำในใจในการระลึกถึงไม่กระทำไม่ในใจซึ่งอกุศล น, นั้นให้มากเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยแทนที่จะมาคิดเรื่องคนนั้นไม่ดีคนนี้นไม่ ด, คนนมดีคิดเรื่องที่เป็นอกุศลจิตชั้นบ้าบอคอแตบแล้วไปเปลี่ยนเรื่องคิดจะคิดเรื่องงานคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องอื่น ที่เป็นกุศลคิดเรื่องพระพุทธเจ้าคิดเรื่องครูบาอาจารย์คิดเรื่องธรรมมเอาธรรมมาใกล้ค ร, รวัวเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยเรื่องนี้ยังคิดไม่ออกก็ช่างหัวมันไปคิดเรื่องอื่นซะที่เป็นกุศลเข้าใจไหมเหมือนกับเวลาที่ไม่ต้องการเห็นรูป ก, ก็เลิกดูสิ่งนี้ดูหนังผีแล้วกลั ว, ลวยังจะดูอยู่ได้ดูแล้วก็กลัวแอบดูนิดนึงอยู่ในผ้าหม่มปะโถเปลี่ยนเรื่องไปเลยเหมือนการจิตของเรา เปลี่ยนไปเลยอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่ดีแค่นี้เองง่ายที่สุดในโลกถ้ายังไม่เวิร์คทำไม่ได้ทํำยังไงให้คิดแง่ดีอย่างลูกเรานะเอ า, เอาพุทธวจะนะซะก่อนพระุทธเจ้าบอกว่ากรทําในใจซึ่งรูปพภัณฑ์สันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกของอักขุสุนวิตกทั้งหลายเหล่านั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพึงกระทําในใจซึ่งรูปภัณฑ์แห่งสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุสุนวิตกทั้งหลายเหล่านั้น ราฟังอีกครั้งหนึ่งพึงกระทำในใจซึ่งรูปภัณฑ์สันฐานแห่งการประดุงแต่งแห่งวิตกของอกข u สวิตกทั้งหลายเหล่านั้นฟังสามรอบแล้วก็ฟังอุปมาอุปไมลละกันพระเจ้าเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าเปรียบเหมือนบุคคลเดินเร็วๆก็ฉุกคิดว่าเราเดินเร็วไปทําไมเดินค่อยๆดีกว่าเขาเดินค่อยๆแล้วก็ฉุกคิดว่าเฮ้เราจะเดินค่อยๆไปทําไมยืนดีกว่าเขายืนแล้วก็ฉุดคิดว่าเฮะเราจะยืนไปทําไมนั่งดีกว่า เขานั่งลงแล้วก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะเราจะนั่งไปทําไมนอนดีกว่าเขาก็นอนอย่างนี้แหละที่บุคคล น, นั้นเปลี่ยนอิริยาบถหยาบๆมาเป็นอิริยาบทละเอียดละเอียดนีิชันใดเธอนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณารู ป, ปรพรรณสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกไปตามลําดับลําดับอย่างชนนั้นเหมือนกันก็อันนี้ก็คือการรีเฟรเมการเปลี่ยนมองมุ ม, อ, ม อ, อื่นอย่างลูกเนี่ยบางทีมันพูดไม่ไม่ฟังพูดดือ้อมันเถียงเรา ให้มองแง่ดีว่าเอ๊ะแสดงว่าต่อไปนี้เขาเป็นนักกฎหมายที่ดีในอนาคตได้นะน่ะปรุงแต่งไปิะจิตเราจะเป็นกุศลเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะสอนลูกยังไงนี่ยกไว้ก่อนเรากําลังพูดถึงว่าจิตของเราแทนที่เราจะเป็นอกุศลเนี่ยให้เป็นกุศลจะ้ะลูกเถียงเราเราจีด๊ดเราโกรธให้มองแง่แง่ดีว่าไอ้ความสามารถแบบนี้จะทําให้เขาสามารถเป็นนักกฎหมายที่ดีในอนาคตได้คนทําให้ดีกับเราเจ้านายด่าเราอ๋อ อันนี้เขาสอนเราเพื่อเราจะได้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเอาวะอดทนนี่เป็นกุศลขึ้นมาให้รีเฟรมมองแง่อื่นมองโลกในแง่ดีปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นที่ดีซะอันนี้คือกรณีที่4ตรงนี้ต้องใช้ความสามารถนะ เ, เวลาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจลงหมดทุกอย่างเกิดขึ้นแหเราจะทาจิตยังไงเงินในกระเป๋าก็ลดลง พูดว่าเวลาพูดพูดว่าเงินทองภายนอกของหาง่ายยังไม่ตายก็หาใหม่ได้พูดง่ายเวลาเสียเงินจริงๆใครที่เสียเงินเป็นเยอะๆหรือว่าทําธุรกิจแล้วล้มเหลว เ, เสียเงินถูกเขาหลอกถูกเขาโกงเนี่ยมันทําจิตยากเวลามันเจ็บมันเจ็บเข้าไปในใจจริงๆพูดนะพูดง่ายเจ็บน่ยมันเจ็บจริงโดนเขาเสียเงินไปยังไม่เท่าไหร่ถูกหลอกนี่โอ้โหเครียดแล้วก็มานั่งกลุ้มขมับ นอนเอาเท้ากายหน้าผากคิดแล้วคิดอีกก็ยังไม่หายทํำยังไงดีให้หมองโรคในแงด่ดีอันนี้แหละจะทําให้จิตของเราแข็งแกร่งขึ้นนะคนที่ล้มแล้วลุกได้เหมือนเด็กที่เดินนะ่ยถ้าเขาล้มแล้วแล้วเขาไม่ลุกก็บอกโอ้ยหนูทําไม่ไหวแล้วล่ะพ่อแม่พอละไม่ไหวละเลิกเดินดีกว่าก็นอนอยู่ตอ น, นั้นตลอดชีวิตมันไม่ได้นะเด็กเขาล้มเนี่ยเขาลุกของเขาร้องไห้บ้างลุกก็ลุก เขาต้องลุกเป็นพันครั้งแล้วเขาถึงจะเดินได้เขาก็ต้องลุก ,1 นึ่งครั้งเขาถึงจะเดินได้ถ้าเขาต้องล้มสอ0 0ัครั้งแล้วเขาถึงจะเดินได้เขาก็ต้องล้ม2001ครั้ง2001ครั้งเขาถึงจะเดินได้คนขับจักรยานเหมือนกันใครเคยขี่จักรยานมันล้มแล้วมันต้องออาจักรยานขึ้นล้มแล้วต้องลุกลุกนี่แหละคือสิ่งที่เราจะให้เราทําได้ต้องล้มเท่าไหร่ก็ล้มเท่านั้นว่ายน้ําเหรอคุณก็ต้องลงไปในน้ําลองว่ายดูไม่งั้นคุณจะรู้หรือว่ามันเป็นยังไง เหมือนกันเราต้องรู้จักความคิดการปรุงแต่งนะให้มองโลกในแง่ดีอันนี้แหละจะเป็นการฝึกเราอดทนในสิ่งที่คนอดทนได้ยากทาในสิ่งที่คนทําได้ยากถึงจะดีถึงจะเก่งถึงจะทําได้ให้มีการทําอย่างนี้พิจารณารู ป, ปรพั้นสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกไปตามลําดับข้อสุดท้ายข้อต่อไปอันนี้ง่ายที่สุดเลยถ้ายังไม่ได้ผลหักดิบกันไปเลยบังคับเลยพุทธเจ้าบอกว่ า, บบวาพึ่งขบฟันด้วยฟันจรดเพดานด้วยลิ้น ข่มจิตด้วยจิตบีบจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะละอักขุลเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรงจำบุรุษอ่อนแอที่ศีรษะหรือคอหรือที่ลำตัวแล้วข่มขี่บีบคั้นทําให้เร้าร้อนเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันที่เธอต้องข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเคยทํามาแล้วทํายังไง เอาลิ้นดันเพดานดันดันๆกิเลสไม่หลุดเราไม่หยุดดันดันไปเลยพรลโลายใจกิเลสไม่หลุดเราไม่หยุดพอ่อนะไม่กินข้าวกิเลสไม่ออกเราไม่กินข้าวอย่างนี้นะขม่มจิตด้วยจิตบีบบังคับมันต้องไปอย่างพระนี่ปฏิบัติทุดดวงควรัตข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากมันเป็นเครื่องขุดเกากิเลสอย่างยิ่งพระบอกบอก ฉันไม่นอนฉันไม่เองกายนอนบีบเริ่มบีบบังคับจิตแล้วนะไม่นอนนี่มันก็ยากนะอาจจะหลับอยู่แต่ไม่นอนหลับด้วยท่านั่งหลับด้วยท่ายืนเป็นต้นเวลามันง่วงมากๆธรรมาจะบอกให้ง่วงมากๆเลยนะหลังมันก็ตกลงตกลงตกลงเราบอกไม่นอนขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันออกทางหลังไม่ได้มันต้องหนีมันต้องไปออกทางอื่นถ้ายังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเรายังไม่ได้ผลเนี่ยให้หักดิบกันไปเลย เอามาเลยฟัดมันไม่เลิกไม่ออกไม่เลิกเหมือนกันอกุศลที่ยึงอยู่ในจิตต้องออกไปไม่มีที่ให้มันอยู่อย่าให้มันมาอยู่ในจิตเราคือจิตที่ได้รับการฝึกแล้วเราเป็นผู้ฟังธรรมฟังธรรมอยู่เนี่ยได้เปรียบคนที่ไม่ได้ฟังธรรมหลายอย่างจิตของเราจะเป็นกุศลได้เป็นสิ่งที่จิตที่เรียกว่าได้รับการอบรมแล้วไปที่ไหนก็สบายฟังธรร ม, มะอยู่ก็สบายรู้ลมหายใจอยู่เราก็สบาย เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตสบายทั้งขึ้นทั้งร่องบางนั่นเถ อ, อะวันนี้ก็พอคุณเก็บเวลานะธรรมะเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์วันนี้ก็ฉายเดี่ยวแล้วก็วันหลังๆในภาคในตอนที่14บนสะีจะเจาะลึกในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือการทำที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะามาให้ได้ฟังกันเป็นตัวอย่างจิมหลงังแล้วก็ ค่อยพบกันต่อไปผู้ใดมีคำถามข้อเสนอแนอะติชมรายการจะฝากถึงหมอณัฐพงษ์หรือตัวอาตมาเองหรือผู้ที่ทำเว็บไซตนะ์ก็ให้ส่งเข้ามาได้ที่ www.piutama.com นี่แหละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาจเจริญพร